มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวักศสัทธาลักษณะปัญหาที่สิบถามว่า ศรัทธามีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรถามอัธปัญหาต่อไปว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสณผู้เป็นเจ้าผู้มีปรีชาอันว่าศรัทธานี้มีลักษณะกี่ประการพระนาคเสณถวายพระพรว่าดูราณะบอพิษพระราชสมภารศรัทธานี้ มีลักษณะสองประการคือสัมปัสสทะลักษณะศรัทธาประการหนึ่งสัมปักขันทะลักษณะศรัทธาประการหนึ่งขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองค์การซักว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยปรีชาสัมปัสสทะลักษณะศรัทธานี้เป็นประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่า มหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารอันว่าสัมปษสธทารักษณะสัตธานั้นเมื่อจะบังเกิดนั้นคมขีเสียซึ่งนิวรณธรรมให้ดวงจิตนั้นผ่องใสอนาวิลังไม่ขุนมัวไปด้วยมลทินเมื่อจะรักษาศีลให้ทานสวนาการฟังพระสัทธรรมมัทเนาและจำเริญเมตตาภาวนาจิตนั้น มีสภาวะผ่องใสอย่างนี้ได้ชื่อว่าสัมปัาสะลัคนะสัทธาขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชโอการตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาอุปไมไปก่อนพระนาคเษนถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชาดูรานะบ่อพิษพระราชสมภารเปรียปานดังสมเด็จบรมมาจากระพัดตราที่ราช อันยกพลจะตุรงคะนิกรลีลาดไปสู่ประเทศหนึ่งจึงข้าแม่น้ำน้อยนั้นไปด้วยพลรหัตถีช้างมา้าปรากฏพลบทจรเดินลำลองตกวัดท้องน้ำนั้นก็ขุนมัวนักหนาพอสมเด็จบรมจากรพัดราทิราชนั้นอยากจะเสวยอุทกเป็นกำลังจึงมีพระราชโอวงการสั่งให้ตักเอาอุทกอันขุนมัวชาวพนักงานกลัวพระราชอาญา จึงตักอุทกขุนมัวนั้นมาใส่พระเต้าแก้วแล้วน้ำนั้นก็ผ่องใสในทันทีจึงเอาน้ำในพระเต้าแก้วมณีถวายในทันใดนั้นความนี้ฉันใดสัมปรสาทะลักขณะศรานี้อุปมาดุดพระเต้ามณีกําจัดเสียซึ่งปึกตมอันขุนมัวคือตัวนิวรณธรรมให้สิ้นไปอุทักกังก็ผ่องใส ได้แก่ดวงจิตอันไม่ได้ติดด้วยนิวรณธรรมคือโลโพโทโสโมโหจิตปราศจากโทษแล้วก็ผ่องใสอันวสัมปสสะทลักษณะทธานี้มีลักษณะดุดเปรียบมาชนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินผู้มินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยปัญญาปรีชา อันว่าสำปักขันทลักษณะสถานี้อย่างไรเล่าพระนาคเษนผู้เป็นเจ้าจึงถวายพระพรวิสัชนาว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารอันว่าสำปักขันทะลักษณะศถานี้ได้แก่พระยะติโยคาวาจร อ, อันมีจิตผ่อนให้เบาจากราคาที่กิเลส ก็ได้ธรรมวิเศษคือโสดาปฏิมักผลและสกิทาคามิมักผลอาณาคามิมักผลอรหัตตามักผลได้วิมุตติธรรมชนนี้ก็มีจิตแล่นไปในโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลและได้มักแล้วจิตแล่นไปเพื่อจะกระทําให้ได้ผลและได้ผลแล้วยัางมิได้มักผลอันใด ก็กระทำความเพียรเพื่อจะให้ได้มรรคและผลนั้นนี่แหละชื่อว่าสัมปักขันทะลักณะศัทธาขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่านิมนอุปมาให้แจ้งก่อนพระน่าเกษนจึงถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชดูกระระบอพิษพระราชสมภาร เปรียปานดุดมหาเมฆอันใหญ่บันดาลให้หาฝนตกลงมาไหลลงสู่แม่น้ำแห่งหนึ่งจนเปีมฝั่งทั้งสองฝากขณะนั้นมหาชนเป็นอันมากมาเห็นแม่น้ำนั้นก็ชะงักอยู่มิอาจจะข้ามไปได้อัญยะตะโรปุริโสยังมีบุรุษผู้หนึ่งนั้นไซ่บ่ไม่ได้ปรากฏนามและโคดจงกระเบนขัดขเขมรโดดโลดโผลลง ก็ข้ามไปได้ถึงฝั่งฟากโพ้นคนเหล่านั้นก็โจรลงในแม่น้ำนั้นเพราะเห็นเพื่อนข้ามได้ก็ข้ามตามกันไปถึงฝั่งได้สิน้นเพราะดูเยี่ยงกันข้ามตามกันยะถาชันใดก็ดีอุปมาดุจพระโยคาวจอนเจ้าที่เห็นเพื่อนกันมีจิตพ้นจากราคะไปได้ก็มีน้ำใจแล่นไปในที่จะได้พระโสดาปติผล สกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลแม้ยังบ่ไม่ได้ก็กระทําความเพียนไปเพื่อจะให้รู้ซึ่งธรรมอันยังไม่รู้เพียนไปเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งธรรมอันยังไม่แจ้งเปรียบดังบุรุษอันข้ามน้ำตามกันและสำปักขันทะลักขณะศรัทธานี้มีลักขณะดุดอุปมาณ้ขอถวายพระพร อ, อันหนึ่ง ก็สมด้วยพระพุทธดีกาสมเด็จพระทศพลยานโปรดประธานพระสัทธรรมเทสนาไว้ดังนี้ว่าสัทธายะตระติโอคังอัปมาเทนะอนนวังวิริเยนะทุกขมัดเจติปัญญาะปริสุทธชติติกระแสพระพุทธดีกาตรัสว่าพระโยคาวจรจะข้ามโอคะทั้งสี่ไปพ้น ด้วยสัมปกขันธ์ลักษณะศรัทธาจะข้ามไปให้พ้นมหาสมุตรสงสารได้ด้วยไม่ประมาทลืมตนจะข้ามไปให้พ้นจากกองทุกนี้ด้วยมีวิริยะความเพียรจะบริสุทธิ์สิ้นกิเลสตัณหาปัญญายะด้วยเฉทะลักษณะปัญญาอันตัดกิเลสและมิให้บาปปรธรรมอันค้องขัดเหลืออยู่ในสันดานของอัตมนั้นได้ โดยในยะดังวิสัชนามาชะนี้นี่แหละโปรดประธานธรรมเทศนาไวช้ชะนี้ขอถวายพระพรครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระไทยเท้าถือหันสาจึงมีพระราชองค์การตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาสมควรในการบัดนี้ศรัทธาลักษณะปัญหา เป็นคำรบสิบธ์จบเท่านี้